ขกราบคารวะหลวงพ่อกรมท่านอาจารย์ทรงสินท่านอาจารย์ตุ้มแล้วก็ขอากาบจากเพื่อนสาธรรมิกแล้วก็ขอเจริญพรญาตโยมทุกคนเพื่อมาร่วมกันที่วัดมาวันนี้ มีตาได้ยินชัดแนมะ่เพราะว่าเสียงฝนตกหนักข้างลังได้ยินชัดนะวันนี้ก็มีพระบดใหมนะ่อีกรูปหนึ่งถ้านะที่ทราบกันก็เป็นผู้ที่มีความ ตั้งใจที่จะมาอยู่ศึกษาปฏิบัติเดิมนั้นก็ <c oughs> คิดว่าจะกลับกรุงเทพแล้วตอนหลังก็ทราบข่าวว่าจะมีการอบรมเก็บอรมณ์เข้มสี่สิบวันนะก็เลยบวชก็น่าอนุโมทนานะในการที่ตัดสินใจามาบวช นะแม้ว่าจะมีเวลาไม่มากาการมาบวชที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะมาอยู่ใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดนะีที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องชีวิตของเรา ตัวกระผมเนื้อตามาเองก็เห็นประโยชน์นาจากการได้มาบวชและก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มีโอกาสบวชเนี่ยก็ทำให้เราไม่ต้องมีภาระนะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทรมากิน ในเรื่องของการทำสิ่งต่างๆนะที่เคยมีภาระนะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับภาระไปแตนะ่เมื่อได้มาบวชแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้เบาสบายมีเวลาเป็นส่วนตัวนะที่จะได้ เรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจได้อย่างเต็มที่เพราะนั้นการมาบวชก็ดีหรือไม่ได้บวชก็ดีแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าสุกโตเนี่ยถ้ า, าเราไม่ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นในการที่จะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วเนี่ยก็น่าเสียดาย นะคนที่มาบวชก็ดีหรือคนที่มาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่แล้วมัวไปทำอย่างอื่นเนี่ยนะก็ทำให้เราเสียโอกาสไปนะในการที่จะเรียนรู้ความจริงนะในกายและใจของเราโดยเฉพาะยิง่งนะการเจริญสตินะด้วยการเคลื่อนไหว ที่หลวงพ่อเทียนได้นำมาถ่ายทอดนะแล้วก็หลวงพ่อคําเขียนได้สืบต่อมาแล้วก็นำม า, าพูดคุยให้พวกเราฟังทุกทุกเช้าเนี่ยสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่กระทัดรัดมากนะเท่าที่ตัวกัปปุลมยตตมาเองได้ พยายามศึกษามาเพราะว่าเราทําเพียงอย่างเดียวนะก็คือการที่เรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนะโดยเฉพาะยิ่งการรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายเป็นเบื้องต้นนะการมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเป็นเบื้องต้นเนี่ย ถ้าเราทำให้บ่อยๆทำให้ชำนาญคำว่าชำนาญในที่นี้หมายถึงว่าเรามีความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆตรงนี้เนี่ยจะทำให้เรามีความรู้สึกตัวนะสิ่งที่เราเคยใจเราเคยล่องลอยไปกับความคิดหรือเลอดิดนะไปกับความคิดต่างๆเนี่ย มันก็จะกลับมาอยู่ที่ที่เนื้อที่ตัวของเราการที่ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่หลงไปกับความคิดนะเมื่อเราไม่หลงไปกับความคิดแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็จะเข้าไปมองหรือไปเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเรา นะสิ่งที่หยาบๆยาที่สุดก็คือความปวดความเมื่อยความง่วงเหงาเหานอนความเบื่อความเซ็งความฟุง้งนซะ่านที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มาฝึกวิธีนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยจะมีอาการเบื่อเบื่อหรือบางทีก็ง่วงนอนซึ่งตรงจุดนี้ก็จะไม่หลายคนทอ้อนะท้อถอย แล้วก็ไปคิดว่าเออเราทําไม่ถูกแล้วมั้งทําไมฟังหลวงพ่อพูดก็ดีฟังอาจารย์พูดกรดีดูเหมือนมันจะง่ายๆดูเหมือนมันจะสบายๆแต่เราทําแล้วมันทําไมไม่ไม่สบายเลยนะบางคนก็ท้อไปนะเจอความง่วงเหงาห่นอนเจอความเบือ่อความเซ็งเจอความฟุ้งซ่านก็ท้อถอยละ ไม่ไม่เรียนรู้กับอาการเหล่านี้จริงๆอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นความจริงที่เขามาแสดงให้เราดูเมื่อเราดูแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วก็หาวิธีการที่จะทำยังไงที่จะไม่เข้าไปเป็นกับเขาก็คือเขาง่วง นะเราก็ไม่เป็นง่วงกับเขาเรากลับมารู้สึกตัวนะบางทีความง่วงมันมันมามันมาแรงมากหมายถึงว่ามันมาครอบงําเราเราเราทําอะไรไม่ได้นะเราก็จะต้องเปลี่ยนอิเดียบท์นะเช่นบางทีเรานั่งอยู่นะเราก็า จ, จะต้องถ้านั่งทํำช้าๆเราจะต้องทําให้ไว ข, ขึ้นถ้าทําไว ข, ขึ้นแล้วลืมตาแล้วมันก็ยังไม่หายก็ จ, จะต้องลุกขึ้นยืน แล้วก็เดินนะก็คือเปลี่ยนอีเดียบทเพราะนั้นเราเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องไม่ท้อถอยนะสำหรับคนที่มาฝึกโดยวิธีนี้เท่าที่สังเกตดูเนี่ยส่วนใหญ่เราท้อตรงนี้เมื่อเริ่มต้นเราก็ท้อชะแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะที่เราจะไปรู้เข้าไปลึกๆ ล, ละเอียดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้เมื่อความรู้สึกตัวของเรา ผ่านความง่วงผ่านความฟุ้งซ่านไปได้เนี่ยมันก็จะเข้าไปเรียนรู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะบางทีก็เป็นความร้อนความเย็นนะที่เกิดขึ้นความปวดความเมื่อยนะที่เกิดขึ้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอาการของกายที่มันจะแสดงออกมาแลนะในบางครั้งมันก็มีความคิดเข้ามาแวบเข้ามา อเพราะนั้นถ้ามีความคิดแวบเข้ามาเนี่ยเราก็อย่าไปตามความคิดไม่ต้องไปดูมันเลยความคิดมันเป็นยังไงมันมาจากที่ไหนแล้วมันจะไปยังไงไม่ต้องไปสนใจมันเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวการที่เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนี่แหละมันเป็นการอทําให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันตื่นตัวขึ้ น, นความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นจากการที่เรา รู้สึกกับกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะตื่นตัวขึ้นมันจะฉับไวขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปตามความคิดไปดูความคิดมันจะลื่นหลายไปเพราะกําลังของความรู้สึกตัวเรายังไม่ชัดนานี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวกับผมด้วยตามาเองมีประสบาการณ์แล้วก็บพบว่าถ้าเราไปใส่ใจกับความคิดก็ดีไปใส่ใจกับ สิ่งเหล่านี้ก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีตัวตนเรายังไม่มีฐานคือความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวชัดเจนแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะทานความคิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าให้เรามารู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวการทำสิบสี่จังหวะ ก, ก็ดีการเดินจงกรมก็ดีเป็นรูปแบบที่จะผลิตความรู้สึกตัว หรือว่าเรียกความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดสาคัญอุปสรรคต่างๆที่จะมาขวางกัน้นนั้นเราจะต้องมีอุบายในการที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นความง่วงนะไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านนะไม่ว่าจะเป็นความเบื่อนะสิ่งต่างๆเราเนี้ยเราต้องมายอมแพ้เราต้องใช้ความอดทนนะแล้วก็มีความเพียรนะก็คือว่า มันจะง่วงเราก็ทำมันไม่ง่วงเราก็ทำมันจะฟุ้งซ่านเราก็ทำมันไม่ฟุ้งซ่านเราก็ทำทำนี้เกิด อ, อะไรก็คือทำความรู้สึกตัวนะทำความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวตรงจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามาอยู่ป่าสก โ, โตเนี่ยนะให้พยายามทำตรงจุดนี้ถ้าความรู้สึกตัวชัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปรู้ไปเห็น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานอกจากอาการที่เคลื่อนไหวของกายการปวดการเมื่อยมันจะมีความรู้สึกสุขทุกข์อึดอัดสบายใจปลอดโปรงโล่งใจหรือว่านักน่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะปรากฏให้เราเห็นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ไม่เข้าไปอยู่ในอาการเหล่านั้นรู้มันกลับมารู้สึกตัวที่กายตรงนี้เนี่ยจะเป็น เป็นตัวที่จะทำให้เราในมีฐานนะมีฐานที่ที่ความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปรู้ในสิ่งที่ละเอียดเข้าไปอีกนะก็คือความนึกความคิดตัวความคิดเนี่ยมันมีสารพัดรูปแบบมีทั้งที่คิดดีคิดไม่ดีคิดไม่ดีเนี่ยเราจะเห็นชัดแต่คิดดีเนี่ยบางทีเรามักจะหลงเข้าไปนะ ใล้ตัวความคิดนี่แหละที่มันจะเป็นตัวที่ทำให้ให้เกิดความความโกรธความโลภขึ้นมาได้นะมันเป็นลักษณะของความโกรธก็คือผลักออกไปความโลภคือดึงเข้ามาตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เล่เหลี่ยมหรือว่าตนของความคิดแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปอยู่ในความคิดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่เราไม่รู้ทันนะ ที่ไม่รู้ทันเพราะความรู้สึกตัวที่กายของเรายังไม่ชัดนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมันสังเกตคอยดูแล้วก็ทำความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยให้ชัดเจน ต, ตรงนี้จะเป็นฐานสำคัญและเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดแล้วความคิดก็จะมาหลอกไม่ได้เราก็จะไม่ตกไปอยู่ในในวังวนของความคิดที่มันเกิดขึ้น ที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันวนเวียนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปบางทีก็มีบางทีก็ไม่มนะีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะสังเกตเหมือนกันเมื่อเราสังเกตเห็นความคิดต่างๆเหล่านี้แล้วนะเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวซนะึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันจะแสดงให้เราได้เห็น เมื่อแสดงให้เราได้เห็นแล้วถ้าความรู้สึกตัวเราชัดเนี่ยเราก็จะไม่ถลำลึกลงไปไปเป็นอาการเหล่านั้นหรือตกไปในความคิดเหล่านั้น น, น, นี้เป็นสิ่งที่เราเจะถอนตัวออกมาได้โดยที่เราไม่เข้าไปร่วมนกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดสำคัญที่จะทาให้เรานั้นเป็นผู้ดู เราเป็นผู้ดูเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในอาการเหล่านั้นไม่เข้าไปอยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านั้นเมื่อเราไม่เข้าไปอยู่ในปรากฏการณ์เหล่านั้นจิตใจก็จะเป็นสภาพที่เป็นปกติซึ่งเป็นสภาพพื้นฐานของตัวเราของชีวิตของเราที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะอเป็นสิ่งที่สามารถจะสัมผัสได้ ตัวกับผมเรื่องทำไมาเองก็ยังไม่ถึงที่สุดของอความทุกข์ยังมีหลงบ้างเผลอบ้างแต่ใจปกติเนี่ยเราสัมผัสได้เป็นครั้งคราวแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพียงแต่ว่ามันยังไม่ต่อเนื่องสมบูรณ์นะเพราะว่าสติปัญญาที่เรามีอยู่นั้นอาจจะยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มรอบนะแต่ก็มีความพยายาม มีความเพียรนะที่จะระทําในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจนะในในส่วนตัวกระผมวิตรมาเองก็มีความมั่นใจว่าการที่เรามาเจริญสตินะด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งนะที่จะทําให้เราเข้าใจชีวิตปล่อยวางสิ่ ง, งต่างๆได้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติ ของทั้งชีวิตของเราเองและก็สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นเจนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงเราบังคับบัญชาไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีหน้าที่ดูรู้แล้วก็ทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นโทษเราก็ไม่ทะเราก็ทางานทาการไปตามหน้าที่ มีกิจการงานของวัดอันใดหรือของ่วนรวมอันใดที่เราจะช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือไปนะทำอะไรไปตามหน้าที่ที่เหมาะสมเหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นว่าเราควรทำอะไรตอนไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นก็อยากจะ ให้กำลังใจนะกับผู้ที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าสกุโตแล้วก็อยากจะเชิญชวนชักชวนพวกเราให้มาให้ความสนใจกับเรื่องของการเจริญสตนะิถือว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจหลักอันดับแรกที่เราควรจะทำเมื่อมาอยู่ป่าสกุโตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะทําแต่อันนี้อย่างเดียวเมื่อมีภารกิจอื่นที่จําเป็นจะต้องช่วยเหลือ่นะก็ควรได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเอกื้อกูลในส่วนของอวัดป่าสุกโตเองนะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่จะทําให้เราได้ทําประโยชน์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ประโยชน์ของส่วนรวมอนะซึ่งตรงเนี้ก็จะทําให้เราเห็นคุณค่าของการที่มาอยู่ป่าสุกโต นะแล้วก็เป็นการช่วยสร้างสรรค์สังคมของป่าสุขกโตเนี่ยให้เป็นที่ที่เหมาะสมกับการที่เพื่ออำนวยให้ชีวิตทุกชีวิตเนี่ยได้มาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ธรรมชาตนะิที่เป็นความเป็นปกตนะิของใจที่เกิดขึ้นน ะ, ะเพราะฉะนั้นในส่วนของ พระที่บวชใหม่ก็ดีหรือว่าพระที่มาบวชในช่วงเวลาไม่นานนะก็อยากจะให้ให้พยายามตั้งใจนะทำเรื่องนี้เป็นอันดับแรกนะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยจะทำให้เราได้รับประโยชน์หรืออา น, นิสงส์นะจากการบวชอย่างแท้จริงถ้าเราบวชแล้วเรามาทำอย่างอื่นนะเช่นมาพูดคุยกันมากินมานอนเนี่ย อาจจะทำให้เราได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่นะก็น่าเสียดายเวลาน่าเสียดายโอกาสนะที่ได้มาบวชแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่าสุกตะแองนี้อนะนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะ เ, เชิญชวนกันสำหรับญาติโยมก็เหมือนกันนะก็อยากจะเชิญชวนให้ม า, าสนใจเรื่องพวกนี้แล้วถ้ า, าปฏิบัติไปแล้วติดขัดมีปัญหาอย่างไรก็ไม่ต้องไม่ต้องอายนะท่านอาจารย์ ทรงศิลปนะ์หลวงพ่อกรมพระจันทรุ่มเนี่ยนะ่ก็เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําพวกเราได้นะติดขัดอะไรนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันนะเราช่วยเหลือกันเราเห็นความสมําคัญกับเรื่องพวกนี้แล้วก็พากันไปในทางที่จเจริญ น, นะให้เกิดความก้าวหน้าเอแก่ตัวเราเองแล้วก็ ชุมชนที่เราอยู่ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่ อ, อยากจะฝากเอาไว้ก็คิดว่ า, าคงจะเป็นประโยชน์นสำหรับการาพูดคุยในวันนี้หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่สมบูรณ์กับตก บ, บกพร่องก็อยากจะขอกับอรัธนากุบาาจารย์ทุกท่านได้ตักเตือนแนะนำตัว ับผมนะเพื่อที่จะได้ปฏิบัตนะิให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ไปถึงจุดที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายนะก็คือความไม่ทุกข์นั่นเองนะหรือความเป็นปกติของจิตใจนั่นเองก็ขออนุโมทนาทุกท่านไว้นะครกัน